Thank you.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 เราก็นั่งอยู่คนเดียวของเรานั่งสบายๆจะรู้สึกไหมว่าความเครียดความกังวลความฟุ้งซ่านในงานเนี่ยมันค่อยๆจางคลายไปจิตใจมันค่อยๆสบายขึ้นมันค่อยๆสบายขึ้นมันค่อยๆสงบระ ง, งับลงเหมือนมันกลับมาที่เนื้อที่ตัวแล้วมันก็เบาๆสบายๆมันไม่มีความรู้สึกดีไม่ดีมันเฉย